น้ำใจคนจนเพื่อชาติชาวสวนกลุ่มหนึ่งเป็นคนจนไม่มีเงินมีทองบริจาคแต่มีใจอยากร่วมช่วยชาติด้วยจึงอุตส่าห์ รวบรวมกันขายมะเขือเทศตั้งใจว่าได้เท่าไหร่ก็จะร่วมกันบริจาคช่วยชาติกับท่านด้วยน้ำใจแห่งการช่วยชาติครั้งนี้จึงทำให้ท่านรู้สึกถึงใจและซาบซึ้งในน้ำใจของชาวสวนอย่างมากดังนี้ ไปวันนี้ไปจากน้ำใจเขาจะบริจาครวมกันขายมะเขือเทศทอดตลาดไปเลยได้กี่บาทกี่สตางค์ก็ตามจะเอาเงินจำนวนนี้เข้ามาช่วยชาตินี่ฟังแล้วถึงใจนะเราเพราะเราช่วยชาติด้วยความถึงใจจริงๆไม่ได้ช่วยแบบจืดจางๆนะเราช่วยจริงจังอย่างที่สุดที่ดีที่ดิ้นอยู่นี้ แต่เพื่อช่วยชาติอย่างเดียวเท่านั้นถ้าใครไม่เห็นความสําคัญของชาติก็เรียกว่าคนนั้นไร้สาระไม่มีชาติเกิดกับเขาไม่มีชาติเป็นหลักไร้ค่าไม่มีราคาเลยคนประเภทนั้นถ้าอยู่ใกล้ริมแม่น้ําโขงให้เขี่ยลงแม่น้ําโขงนะเข้าใจไหมถ้าอยู่ใกล้ทะเล ให้ขียลงทะเลอย่าให้ตกค้างอยู่ในเมืองไทยคนไม่มีหลักมีเกณฑ์คนไม่รักชาติต้องเขียลงทะเลให้พวกที่เคารพชาติอยู่ในเมืองไทยที่รักชาติ อุตสาหขวนขวายรวบรวมกันบริจาคเพื่อช่วยชาติเราฟังแล้วถึงใจนะมันสำคัญอยู่ที่น้ำใจความรักชาติหนุนชาติรักษาชาติเป็นสิ่งที่เป็นมงคลมากทีเดียวก็เหมือนลูกรักพ่อรักแม่พ่อแม่จะเป็นคนมีคนจนลูกรักด้วยทั้งนั้น คนจนก็รักพ่อรักแม่คนมั่งมีก็รักพ่อรักแม่หลักใหญ่อยู่ที่รักพ่อแม่ของตนนี่คือชาติของตนนั่นเราเอาตรงนี้นะคนมีคนจนไม่สำคัญความรักชาติสำคัญมากทีเดียววันนี้จะไปเทศอนุโมทนาน้ำใจที่รักชาติอุตสาพยายามรวบรวมกัน มีมากมีน้อยชาวสวนด้วยกันรวมมาเป็นน้ำใจช่วยชาติของเรานี้เด่นมากนะพี่น้องทั้งหลายให้ฟังให้ถึงใจนะเขาเป็นคนทุกคนจนเป็นชาวสวนวิ่งเต้นขวนขวายหามามากน้อยเขายังอุตสามาหนุนชาติของตัวนั่นมันควรเป็นคติตัวอย่างทั่วประเทศไทยของเรา เมืองไทยของเราถ้าต่างคนต่างรักชาติเห็นชาติเป็นสำคัญแล้วต่างคนต่างรักต่างคนต่างสงวนต่างคนต่างบำรุงรักษากันชาติไทยของเราก็มีความแน่นหนามั่นคงนี่ล่ละสำคัญที่จุดนี้นะ ร่วมไม้ร่วมมือของผู้น้อยและมีผู้ใหญ่เป็นผู้นำร่วมแรงร่วมใจแสดงถึงความสามัคคีของหน่วยงานหรือจังหวัดนั้นในเรื่องนี้ท่านแสดงธรรมไว้ดังนี้ดังพี่น้องทั้งหลายได้นำเครื่องบริจาคประเภทต่างๆมาวันนี้รวนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ออกจากน้ำใจแห่งความรักชาติของพี่น้องทั้งหลายได้มาช่วยเหลือกันปรากฏสง่างามอยู่ที่ศาลาและที่อื่นๆในบริเวณนี้เต็มไปหมดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเป็นร่มโพร่มใยของพี่น้องทั้งหลายเพราะผู้ใหญ่สำคัญมากที่สุดในครอบครัวเย่าเรือน ก็มีพ่อบ้านแม่เรือนเป็นที่อยู่ของเด็ ก, ล, กลูกลูกลหลานในสกุลนั้นๆถ้าผู้ใหญ่ไม่มีผู้ปกครองไม่มีหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นี่บ้านเมืองของเราก็ต้องมีผู้ใหญ่เช่นจังหวัดก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นผู้นำมาเป็นร่มโพร่มใสเป็นหลักอันใหญ่โตเป็นความอบอุ่นของพี่น้องทั้งหลาย วันนี้จึงมีความสง่าราศีมากในงานของเราเพราะมีท่านผู้ใหญ่มาประดับเกียรติแก่จังหวัดและชาติไทยของเราให้สง่างามถ้ามีตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยตาสีตาสาหวนขวายทำกันโดยผู้ใหญ่บกพร่องผู้ใหญ่ไม่สนใจอย่างนี้เรียกว่าเสียความงามเสียความสง่าราศี ไม่มีคุณค่าประการใดดีไม่ดีเขายังตำหนิผู้ใหญ่อีกด้วยหาความร่มเย็นให้ประชาชนพนลเมืองไม่ได้อย่างนี้เขาก็อาจยกโทษได้ต่อเมื่อผู้ใหญ่มาเป็นผู้นำแล้วทำไมใครจะไม่ออบอุ่นต้องมีความอบอุ่นทั่วหน้ากันตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และรองลงมาตามลําดับลําดาข้าราชการทุกหน่วยตำรวจทหารประชาชนข้าราชการทุกหน่วยพร้อมเพรียงกันมาให้ความสนับสนุนและความร่มเย็นแก่พี่น้องชาวไทยและชาติไทยของเราแล้วต้องเป็นงานที่มีส่าราศีมาก พระภิกษุสามเณรควรช่วยชาติท่านเทศในคราวที่พระภิกษุสามเณรต่างสามัคคีกันออกมาจากป่าเขาเพื่อเสียสละบริจาคเงินและทองคำช่วยชาติดังนี้ ที่จะออกมาในครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งละ่ะออกมาจากป่าจากเขาท่านเป็นครูเป็นอาจารย์เขาอยู่ตามที่ต่างๆแล้วก็มารวมกันรวมนี่ก็แสดงน้ำใจของผู้มีธรรมผู้มีธรรมย่อมมีจิตใจกว้างขวางย่อมมีจิตเมตตามีจิตใจสะอาดแสดงออกมาด้วยความเป็นมงคลแก่โลกแก่สงสาร ดังพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปไหนเป็นมงคลแก่โลกพระสาวกไปไหนเป็นมงคลแก่โลกเป็นเนื้อนาบุญอันชุ่มเย็นของโลกนั่นนะท่านไปอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าหากผู้สืบต่อสายธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะมีลักษณะเช่นเดียวกันไม่มากก็น้อย ต้องแสดงออกซึ่งน้ําใจอันดีงามนี่แหละเรียกว่าออกมาจากใจที่ขาวสะอาดออกมาจากใจที่มีเมตตาเฉลี่ยเผื่อแผ่ต่อกันนี่ชาติไทยของเราเวลานี้กำลังจนตรอกจนมุมทั้งประเทศนี่แล้วพระสงฆ์เหล่านี้ที่อยู่ในเมืองไทยนี้เป็นลูกของใครบ้างเอาสิไล่เข้าไป พระสงฆ์ที่มาเป็นพระสงฆ์ไทยอยู่เวลานี้เป็นลูกของใครลูกมีพ่อมีแม่นะ่ะพ่อแม่ของพระสงฆ์นี้อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศไทยอยู่ที่ไหนมีหมดพ่อแม่ของพระสงฆ์ในสมัยปัจจุบันนี้เวลานี้กำลังตกทุกข์ได้ยากลำบากทั่วประเทศไทยเรียกว่า พ่อแม่ของสงไทยเรานี้กําลังได้รับความตกทุกข์ลำบากแล้วทำไมลูกสงคือลูกมีพ่อมีแม่ลูกพระสงฆ์ไทยซึ่งมีพ่อมีแม่แล้วทำไมจึงจะใจดําน้ำขุนช่วยพ่อช่วยแม่ไม่ได้พ่อแม่กําลังตกทุกข์ได้ยากลาบากเข็นใจนี่พระสงฆ์ออกมาช่วยนี้เรียกว่า ทำกิจสงฆ์โดยสมบูรณ์นี่แหละงานของสงเป็นงานอย่างนี้สงต้องช่วยชาติสิช่วยโลกช่วยสงสารสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านว่ามหาการุิโกนาโถหิตายสัพพานินางพระพุทธเจ้าทรงพระเมตตามหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ฟังสิ แล้วทำประโยชน์ให้แก่สัตว์นี้ไม่มีประมาณนั่นแหละแปลออกมาทำประโยชน์ให้สัตว์โลกไม่มีประมาณเลยไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระถาคตก็ต้องแสดงลวดลายออกมาบ้างไม่มากก็น้อยตามกำลังความสามารถของตนมันถึงจะถูกไม่ใช่พระสงแบบ ใจดำน้ำคุณ